เรพูดเราขึมาสรุปสํงเกตงานเราเราเป็นเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ ย, ไไยังไงทุกยากลำบากวันนี้เพราะเดี๋ยวก็โลกนันเองตัวลําพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายนี่ทรงแต่ท่าแต่ขันต้องเกของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ําหนักกดท่วงกันรู้สบาย ยิงถึงรถบู๊วิ่งเข้ามาดูดกระเป๋าเขาลงไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจว่ามันพอทุกอย่างแล้วพิาจารณาจนพอนั่นแหละทำนี่คัน่าพอโลกมัญหามันพอเมื่อไหร่หัวใจเต็มไปด้วยความหิวความโหย อ, อะไร มันเท่าไรไม่ว่ายิ่งแสดงกันเต็มเด็กเต็มเด็กมันพูดหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกคนตนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุนยมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โรคมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามี ว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพลิกสร้างภัยขึ้นมาเนื้อทำลายของอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากเขาจะมีความโรคน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลกน้อยลงไป ความโลกความสูรความหลงน้อยลงไปยาไปเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยอยู่มีมากเท่าไหร่นั่นเนี่ยตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพืนความโลภมันมีเมืองพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูดิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพืนขึ้นไ ป, ไป เราพูดให้เติมปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไรยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนไระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดดอนเลยมันผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือนหรือล้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทาความเดือดร้อนจะหายแก่อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล่วโลกสมุนนิยมนิมยมมากตรงนี้ทําประโยชน์ให้โลกมากมายมันทําอะไร มิตรกฏฎขี่บังคับดีบถ่ายถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคําว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็ก น, อน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทําประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรณาสักของตน ด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความต้องเห็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจเยี่ยงมีธรรมเต็มหัวใจโดยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยสแสดงออกกิริยาท่าทางอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงมาวซึ่งมหาคุณอันอุดมเออ <c oughs> อยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรือ ง, อ, งอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างขึ้นมามีเ <c> ร <oughs> าพูดเรองโลกเรื่องธรรมเที่ยบ ก, กันให้เข้าใจาการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็ เ, เคยเห็นไหม คนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความปวดความหลงวิ่งตามราค่าตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าค่าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มแต่พัตนาพือวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเนไปแต่นั้นที่จะให้ลดย่อนป่อนพันลงมาเพราะการวิ่งตาม วิเลศผิวความโลภความโกรธความหลงดาคาทันหานี่ไม่มีหวังตายก็ทายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นคิ้เนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหวัวใจของโลกทแท้ๆเรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกล้างมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริง หันหน้าเข้าสู่ความจอมปลอมมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะไปหาปัญหาอะไรมันเป็นความสุขความเป็นเลิศถ้าลงหัวใจยังไม่ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเรศตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไหร่ก็ตายที่บ่เปล่านั่นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกแต่พูดถึงเรื่องความ เหลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีนบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจองปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอ ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของวิเลยยิงเรียกว่าเป็นค่าสิบของธรรม <c oughs> นั่นแหละผู้ย่อยเห็นภัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นพระจักพระไทยภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพน้นโทขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ผู้นี้แหละผู้ที่มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความสงบเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้ว ผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าปัณฑิตานั้นจะเสวนาอาเสวนาจะวารานังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าอาเสวนาจะวารานังอยากพบคนผ่านสน า, ามหญ่าคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อาศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริง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 มันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายสาสนาธรรมที่เจ้าของกำลังบุจาพยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญ น, นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลานี่ภาลาความเขา่ า, าเรียว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลส เป็นตัวตัวพานตัวเขาแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์ก็สัตว์ฉลาดก็สัตว์ตตตได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนรวมกระทั่งถึงตัวประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นําี่เลยถ้ามันโง่แล้วมันจะนําสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตการหาที่สุดไม่ได้ นั้นได้อย่างไรคำว่าผ่านผ่านคนผ่านก็นคือว่าถูก ก, ถกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริย า, าการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป้นประเด็นเรื่องความเป็นพิษเป็นภยัยท่างนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนผ่านถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนผ่านไปได้ให้เป็นฆาสศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นฆาสศึกต่อ ส่วนรวมไปอันท่านไม่พบคนผ่านประเภทนั้นที่นี่ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆั้งที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอาจเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีกี่เท่าไหรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วห้าเปอร์เซ็นต์ตได้ในร้อยเเ็นมีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาส ต, ติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่อัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่ไม่นับเข้ามาในวงนี้นอกกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทั้งนั้น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 ความตล า, าดนี่แหละจะแก้ความามงงงตัวเองเพราะความถูกกล่องของยิ่งใหดได้มัำว่าให้พกอย่าพ ก, กปนทานให้นามาระาวาังความคิดความปรุงของเจ้ของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวรื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมานของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยูม่มันก็เหยียบย่าทำลายอยู่ตลอดเวลา แล้วอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกลมมานทั้งเราไม่มีเราทําความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรเราของทั้งที่หาสติสตังไม่ได้ถูกิเลสระเบยอย่ําทําลายแหลมอย่งนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งอยงนั้นสิ่งนั้นเหลือนะปฏิบัติต้องขีดเข็มต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กําลังของกิเลสมากเราจะไปทําอ่อนแอท้อแท้เหลือหลายอยู่ ตามภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมอตามภาษีภาษาก็คือคําว่าภาษีภาษาก็คือคือคนโง่เง่าเตาตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนี่นั่นเราษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเรา ผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอรรถธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามประสิทธิภาษาเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟั ด, ต, ดต้องเวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงเวาราที่ควรจะตะลุมบอนกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติ เอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจใเถอะความมุ่งมั่นนี้แล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความมุสาพยายามทุกอย่างลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากและเพิงทราบว่าชาตินาธรรมของพระริจานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมา ตะขมพุทธการกระเทือนพระไทยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระทใจของสาวกจน ถ, ถึงเป็นอาหารหันต์ประกาศทำสอนโลกกังวานไปทั่วสามแดนโลกธาตุด้วนได้แต่ทาออกเวทีคนที่นับถือพุปถัสดศาสนามีความเที่ยวความเงาใสหนักเข้ามากน้อยเท่าไหรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหะคือความมุ่งมั่นนั่นแหะตลาดตลาดของโมคุงผ่านกังวานตั้งแต่สมัยโน้น มาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสทันหาอาศวะตลาดแห่งความทั่วช้าเลวสามเล้วไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาลุนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสู่ความจเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระ นำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคองขีพก็แน่นหนา ม, มั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หผู้ใด ย, ยิ่งเป็นทางดาเนินของพระนั้นแล้วมีต่การฆ่ากิาาาาาเลสซึ่งเป็นตัวเสนีย์จันลัยเป็นข่าสื่อของใจและของสาสนาธรรมที่จะเกิดขึ้นได้มีอยู่ในใจนี้เท่า น, านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหะท่านตลาดมรรคผลนิพพานลัชสมัยที่ไหนเราทำของพระพุทธเจ้าสุวราณธรรมแต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้ว อ่านไปในบนใดคำพีใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกกี่ตลอดเวลานั่นลหละที่ว่าเปนศา ส, สดาแทนเราจะถากดดูเอาในนั้นสือฟนะังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านตรัสกับพระ อ, อนนทำและ ว, วินัยนี่ที่เราจะถากนมันจัดไว้ไว้แล้วหรือถัง่งสอนไว้แล้วนี่แหละ จะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายคมาเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทําผู้นั้นเชื่อบูชาเราถากโคตนั่นผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปนันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตรเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมต้องไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดําเนินตามหลักธรรมคือสรขาทําให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิด ก็ชื่อว่าตามเสด็จพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคําว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโภชมเป็นเรื่องท่าเรื่องขันท่าถีดีน้ําลงไฟนี้เป็นเรืองร่างของศาสดาแทะศาสดา อ, องค์เอกได้จากพระจิตที่บริสุทธิ์พุทธโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธาแทะการปฏิบัติตามหลัก ความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการข้าวเดินตามหลักธรรมของเบร์เจ้าเป็นสดส ด, สดร้อนๆ้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเแต่ยังเมื่อคนผู้ถือศาสนานไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม่เล็กน้อยการให้ทางโทรศัพท์แต่ว่าทานไปนี่ปูญาตายายบอกว่าให้ทานในบุญทำภาย เพราะมันไม่ได้ถึงใจแนมะ้ี่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหล่านีนักบวชทังเหล่า น, น, านี้แทนที่จะถือ ง, งานนี้เป็นสาระสําคัญนันก็เทเลถลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการงสงารงานขี้เดร่ตัณหาไปเสียจะเอาทำมาจากไหนวินาจิตลาดมาผลิพานพัมมาตลาดผลิพานก็คือธรรมะต้องธรรมะปฏิปนันโนเนี่ยตลาดปฏิบททัติธรรมนี้ตามคําสอนนี้ ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับตลำดาชนิดไหนมีหมดอืตั้งแต่กัญญาณุปถัมภขึ้นไปถึงโสดาปติมารโสดาปติผลสกิริทาคานาค า, า, า, าคาราตธรรมะราตพุ่มหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจาก ส, สารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรมธรมานุรตมปฏิปนุอยู่เสมอไป หลักธรรมท่านในสามขุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวจของเราทุกวันไม่ใช่หรอได้สวดยังไม่ให้หรอเพราะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาเนี่ปฏิปนโนสามิีกีปฏิปันโน น, นี่แหละผู้สรงพระคุณนี่ผ่านตกระบอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเนี่ยก็รตรงหลกหักธรรมหลักวินัยนั่นเองญาเนี่กับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรูปปลอมเห็นปลอมนี่ รูปลอมเหปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยแต่เดียวเท่านั้นช้ามีกี่ปฏิบัติสมควรจะทํำปฏิบัติด้วยความราบเรื่อนสม่ําเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติขอนตัวเองทําไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทําไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากล่าวไหวบูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันตัวอยางจตาริภุริษฐายุการิอัฐภุริษ์บุคลา คู่เหบุรุษี่คือบุคคลจำแปดท่านแยกเป็นภูกราธิฐานตั้งแห่ตัางอาจะได้แก่คู่สีบุรุษสีที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้ปสุปฏิอุทุญญาญาสามมีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษีก็คือคือคู่แห่งทรมากสี่ผลสี่ันเอง ผด้ใดเป็นผู้ครองกับผู้นั้นเป็นผู้หญิงคลองกับผู้นั้นผู้ชายครองกับผู้นั้นคลองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่พรอมมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยทาแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทํามากผลมากผลมากผลน โซดาปฏิมาศโสวาปฏิผลเนี่ยก็เป็นคู่เศกิจทาคามัธเรษฐกิทาคารผลก็เป็นคู่หนึ่งาาาา น, นีงน่สองคู่แล้วอนาคาญมัธอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอน า, อาหัตมัธอาหัตผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดําเนินมากนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่ทีเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็รับกัน รับกันรับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามล่องลอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจงกระทั่งถึงอาาัธยาศพใครจะเป็นคนขอดก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสอขาธรรมที่จัดไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเล่ลงในมีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสยัยอืมอากาลิโกะท่านบอกแล้ว ทำไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการนู้นไม่สมัยนี้ว่าทางนู้นทําดีทางนี้ทําชั่วอืทางนู้นทําประเสริฐสมัยนี้ทําเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาดเต็มเต็มทุกอย่างโสดาวปฏิมาสุขดาวปฏิผลทุกทังอาตนะอาตมาอาตผลอยู่ในวงของ สวาคาธรรมที่ตัดไปชอบแล้วนี้แล้วอยู่ในวงของสุปฏิปโนอุทุ尼亚านีชามิขีปฏิปโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลรงประโยคนี้การพุปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธรรมสันนังกตชามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองขี่มูลากีมาแห่งที่ไหนเพราะว่าเป็นสันนัตชามิไม่หลงอะไรตื่นเงา ตืนปากที่มีจิตเดชปากส ก, ากัปลดปากพระพุทธเจ้ามันปากสะอาดเพราะใจสะอาดสแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกหมุมไม่มีผิดมีเพียงแม่นิดตึงเลยเพราะทรงรู้ทุกเห็นทุกอย่างแล้วจึงนํามาสอนโลกนี่จะอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วจึพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งที่ยังได้เห็นประจักษ์แล้วก็นํามาพูดผิดที่ตรงไหนมแม้แต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจ น, นยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ้งกว่านี้ทำไมจะไม่ชาติยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันตวีลน่านีในกลางถึงเรื่องผ่านเรื่องบันดิกมันเด็กคือผูช้ชราดฉลราดโดยทมไม่ใช่ชราดแบบโลกโลก นั่นฉะละแบบคนผ่านกาลให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามละมัดระวังกําจัดสิ่งเนี้มีเวลามีมากมากมันเลวมันไหลเข้าไปนะผม อ, อกจะแตกกันนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากมากมันดีเมื่ อ, อไหร่มันกดท่วมกันลงไปกดท่วมกันลงไปไม่มีเกตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาครูมาให้ตั้งหมูตั้งใจศึกษาด้วยดีย่ามาเล่เล่ลอนดอนเล่เด้านๆ้า น, า น, านขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยเฉยให้ดูตามีให้ดูข่าววัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหมูมีให้ฟังฟังแล้วนำไปคิดเพื่ อ, ออาจเพื่อทำสมกับตนที่มาศึกษามาอบรมท่านถึงจะเกิดประโยชน์ มันเพียงเพทย์เฉยๆใครทําก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนกระทั่งมันเอาทั้งหนังออกอย่างเดลยวแต่กะโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลเลยี่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวชด้วยไหมกิเลส ท, ที่อยู่ไปนในจิตใจนะั้นมันบวชด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะ ต้องในต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งมันจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกข้างหลาได้รู้ว่า น, นี่คือเพศแห่งนักบวชเพศไม่มีอิจฉา พ, พยายาิอาฆาตจังเวงยนผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้ะเป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนะประกาศปไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหม ถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อายใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นแหละตรงนั้นะ่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิาสาระสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทั้งโลกทั้งสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจไมสะะ่สละมันคว้าโ น, น, น้นคว้านี้ทั้งอดีตอ น, นาคตคว้าลมคว้าแล้งจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทํางาน อยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกําจัดทิเลศใช้เองนั่นทําไงเพรว่าจะกําจัดทิเลศมันมีแต่ความคิดโดยที่เขาว่าจะกําจัดแต่ผู้มันกําจัดเราคิดหรือไม่คิดเขากําจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมานี่ถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่คุณคว้าถึงการที่คน้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไป ถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตลอดเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความวุ่นวายสงบจิตก็เป็นสมาธิอีกก็สงบเท่า น, นั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก่อนทาอะไรทําให้จริงให้จริงยาละเลอะเลยแหล ะ, ละความละเลอะเลยแหล ะ, ละไม่ใช่เรื่องของธรรมทาทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้ง อ, อกตั้งใจทําอย่างแข็งแรงอย่างเอายิาง่งใหจรงเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์ <c oughs> ม, ม, ม, ม็นทำเลาะเลาะแหล่แหละจริงจรงก้างก้างมันขวางหูขวางตาเทวทัศนมันเข้ามาเหยียบย่าทาลายอยู่ในหัวใจเราเรายังไม่ทราบยิ่งเรศมานั้นมันเป็นมารของเราขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้มดนั่นเนี่ยที่เรศมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำาะไรให้ดี นี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกวตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูดิว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบาปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีถึงแต่รู้เฉยๆรู้ก็บรู้แบบกิเลส บ, บังคับขับสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออก นอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกที่เดลดขับใสนี่ความรู้อนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอาที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปสิธรรมปฏิจจาที่ว่ากังวานมาได้สองพันห้ารอยปียกลางวานในหัวใจของพระพุทธเจา้ากลางวานในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวานในหัวใจเราเสินสิมันถึงหาความถูกความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงทําได้เข้ากลางวานในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิเป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่า น, นั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของของมันมันมีวงจํากัดจากัดของมันหูก็เหมือนกันวิทยาวิสัยที่จะฟังได้โดยหูเท่านี้ก็ฟังได้เท่านั้น มากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบังเล็กเล็กน้อยๆ้อยจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้าตามหน้าที่หน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของใจก็ใช้ได้แช่นั้นแต่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใชา้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือพีนี้พิจารณาลงไปมันจะกังวาลไปหมดสะท้อนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้<น>รสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกิน<ม>หัวใจเพราะฉะนั้น พเวลาทําเข้าบรรจุในหัวใจเต็มเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มกิจเต็มใจใจเป็นธรรมธรรเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบครอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศาจรรย์ของกิจไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจํากัดของมันนี้เวลาทำเข้าเบิกเข้าทําลาย วงจํากัดอันเป็นเรื่องของกิเลสมันออกไปโดยลําดับบความรู้นี้จะกระจายกระแสสิทธิของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเลืออ่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อกี้มันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้ว ไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามมาทำไนีิผ่านแต่ว่าลูกกว้างลูกแคบก็มันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นถึงเรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระใจดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบรรอนำครอบอํานาจของกิเลสอยู่นี่เลยเวลาปาดกิเลสออกทั้งหมดเธรรมก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิทูที่เราเคยอ่านในตำหนักตันหจะ ประกาศกงบันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เทียวเหลือนั่นแต่ความไม่เคยคาดเคยฝันมาจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ลาขนาดนี้จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นแล้วหอรือเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะรมเป็นเพราะปฏิบัติเพราะปฏิบัติมาจากไหนมาจากสุขาราธรรมมาจากาศาสนธรรมเนี่เมื่อกลุ่งในนั้นเฮ้นิบารุเจ้าปรินิพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพานกี่พระองค์มาแล้ว นับเป็นล้านล้านก็าตามสงสัยที่ไหนฮนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศต่างวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันดังนี้นั่นนี่แหละผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นลัทธาคดเห็นตรงกิจที่บริสุทธิ์เต็มทีน่นี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าตเต็มองเมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจ ใจเป็นธรรมทำเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสตราเต็มอกเห็นแล้วถามหาพุทธิย่ววาพระธรรมประสงค์ที่ไหนไม่ถามตาแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ชี้ให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วปหาความปลอมตัางอะไรต้องคุบตะาหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน พบหน้าชาติหน้าม so, ีไหมถามมาอะไรเรื่องพบเรองชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลําดับลำดับรู้เรื่องพบเรงชาติของตัวมาโดยลําดับอืแล้วเชื้อของพบของชาติละเอียดเข้าไปขี้เล็ดเนียวก็เรียกว่าขี้เล็ดละเอียดเข้าไปเชื้อของพบองชาติคือกีเล็ปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดปัดกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสบัดออกหมดจากหัวใจแล้ว เดิดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งๆที่จิต ก, ก็อยู่กับร่างนี่แหละแต่เดีดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นทธรรมล้วนขึ้นมาจะ้ปเกิดที่ไหนทีนี่เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอ ย, นอยู่ฟันกันอยู่โดยลําดับระดับมดแม้จะไปเกิดพรทมโลกหรือสุทาวาสห้าชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นนันก็เห็นกันชัดอยู่ภายในจิตเวลาทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนไหมที่นี่ หรือปเกิดที่ไหนหมดชั่วแล้วนั่นพันว่าสันติสุโกสันติสุขสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติสุขผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอาจจะต้องเล่นโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพ่ะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มแล้วสิเนี่คนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่ เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิม่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จดฉันทัมนมาในตัวเจ้าของเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เขาอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปก็เขาอะไรนั่นทำพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไกับโลกที่เด็อดสัรธาสวัสโรกมื่อตัวบอดหาอะไรกานแน่นั่นก็เท่านั้นมี็นจากการปฏิบัติ ผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอาจเป็นที่หยุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลําบากนะทุกวันนี่นะ่ะขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจยานอนใจการอยู่ด้วยการเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพับผ้าผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติน์นี่เมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือไปจากกดนิจจังทุกของอังตาได้อย่างไรมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอังควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวง อย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสนามุ่งต่อความบุญพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคานไปตามตามนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันคาดฐานอันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมตุติอยู่ในวงกลงจักรนี้เป็นยังไงพิเศษอะไรบ้าง คิดวันหนึ่งคิดยิ้มกว่ากงจักมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เชื้อได้อะไระคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกิ่นเรื่องรดเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตทำมารมที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นทำมารมยุง่งอยู่จนภายในหัวใจนี้มิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอดตตทมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกองจักนี้ออก ท, ทําไมจิตถือว่าเป็นความลําบากลําบนเราจะก้าวได้ยังไง มันก็จะเป็นหมูขึ้นเสียงอย่งนั้นสิจนได้เอามีดเอาฟาักเขี่ยลงมันก็จะไม่ยอมลงนี่แล้วไม่ใช่หมูนี่ทา่านพรเจ้าตัดทวนโลกคือเลื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุฮาโซจิมานันโดน่น แหมถึงใจมากนะสะทนใจมากเียนิจังปัจฉิเตสติอันทกาเลนะโอนะถาปฎิปปริปังนากเวสถากเมื่อโลกสันนิวาสนี่มันเต็มไปได้วยฟืนด้วยไฟผ้ารอนอยู่ทั้งมันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะลื่นเริงกันหาอะไร ทำไมจึงไม่สะสวงหาที่พึ่งประนอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมเตืนกันาหาเรื่องอะไรถึงใจมันพูดอะไรท่านผู้รู้จิงเห็นจริงนำมาพูด เหมือนกับเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี่แล้วเอาฟืนมไฟมาให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาถ้เห็นทั้งโทษถ้เห็นทั้งคุณพระจักถ้าลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนขไข้มองหน้าหมอไม่รับยา น, นั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไร เราบวชมาเพื่อทรงมากทรงผลทรงอัดทรงทำาำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้ปลดอะไรจะแก้กิเลสปัญหาสภาวะแต่และอย่างแต่และอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้ออนเดลแต่ตัวเองอันเป็นเรื่องของกิลกเลสแท้ๆพาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดําเนินที่ถูกต้องดีงามของตอนไม่ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ดําเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปเดื่ยลำดับในเรื่องของคนมยายังกิเลสนี้แหลมคมขนานไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศับทธาความเพียรเหล่านี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะอย่างไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตาม ค่ากิเลสล้มทั้งหายเห็นไปจากต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยทาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะปัญหาคือราคะกินาโทสักกินามอกินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยออไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหน ท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรามังสุขขังน่มีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรามังสุขขังนไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปราังสุ ข, ขังน่ะความสงบได้จะเสมอเหมือนความสงบที่ที่เรศตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่ที่เรศเหมาบราบ ไอ้จีเดียดเป็นตัวอันเป็นตัวข่าศึกมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละประมังสุขขังหมายถึงอันนี้นผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ไอ้จีเดียดปรมังสุขขังมันมีไหมแล้วก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมันมีที่ไหน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 พากันตั้งอกตั้งใจหย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่เมื่อกับแจ้งเท่านั้นละ่ะโลกวันนี้ยาไปตื่นอันเมื่อแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากเมื่อกับแจ้งนี้ว่าเสาอาทิตย์จันลังคารพูดปรหัสเนี่ยสุขว่าไป ช่วยจะรู้ขานท้อมอารมมาเสีว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้เป็นไปได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นมัใต้เกิดใต้เกิดนี่มันกสทจอะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานีอยู่แล้วถ้าจะสิ่งนี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรม ที่มันไม่ปาะเสรนั่นสิผ่านเป็นสอนมันเป็นปืนเป็นปลายทางไหนสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากในสิ่งเห่างนีน้เพื่อเดิย่างใจของตนให้หลุดลอยออกไปและเสวยยิมูติสุขทันว่านั่นฟังสิยิมูติสุขคือหลุดค้นแล้วจากเครื่องจองจาทั้งหลายปรมังสุขขังนี่พานังปรมังสุขขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิท แล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายเป็นปรมังสุขขัง อ, าอา่าแสดงเป็นแบบนี้รู้สึกมีแปลกๆเป็นมาพาณัยเนี้ยทีนี้เนี่พูดทุกวันนี้มันหนุยกัะก่อนพอพูดไปพูดไปมันค่อยเราจะมันเป็นรุปภาษคไปเรื่อยๆเป็นไปตามนิสัยอะไรนีงเสียงดังเขาดังเขาเข้มขนนเขา ยิ่งมาได้ระวังอันนี้แล้วมันปลายใหญ่เลยนะเรูย้บ่วนหาเหนื่ย้าผวดไม่ได้ดูดีการลำ บ, บ า, ททากทำถึงจะทิ้งเสียงคิดก็เวลานั้นองพยายามดิบดาบแต่ช้าที่เร็วก็กำหนดอันนั้นพอดีกงของกองงานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันคนเร็วมันก็เหลื่อมันเลย ผมว่าคนข้ามมันก็พูดจะรู้จะของเองทางําานจริงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนี้ผมไม่รีบไม่บีบบงังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทําอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ ด, ดําเนินตามหลักทำหลักวิญญาณต่างหากไม่สอนหมู่เพื่อนให้แบบแนวพิย่างการกระทําเช่นที่ที่ทำหนีามานี้มันเป็นเรื่องแบบแนวของความวิญญาณของความ สงบไปเหมีย่ยงความพอดีเขอามาหรือจกยิ้จังก็หมู่ควันหรือจกมากเนะี่ยมันจะค่อยๆหล่อไปร่ อ, รอไปปากเลี้ยมปากกว้างเนาะมันจะคืนเอาคื้นเอา้งหมดสุดท้ายธรรมฐานก็จะยังมีเลื้ยมจะขืนเอาขึ้นเอา ตืรนโลกตื่นของสารมันเป็นมลมากลาบไปคือท่าก็ไม่มองทำเลยอันนี้อะ่ะมิจกมากอนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรนี่มองอะไรมองด้เหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้ น, นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิจของมันมันเป็นทั้งมันอยูน่นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันก็ต้องมันต้องรู้เนี่ย แบบรับมูรับตามันเป็นดีอย่างนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นของมันไในหลักธรรมชาติปฏิบัตินี้หมู่บ้นานคำพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่นึ่หรืกราบชื่อผมอยู่นี่ถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหายถ้ามันเป็นลงลอยเดียวกันแม้งั่นสาวก พุทธบริษัทไหเชื่อพุทธิยถาอย่างถึงใจได้อย่างไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่พานกันได้อย่างไงน่ะเมือ่อพานไม่ได้เห็นได้ธรรมชาติที่อาจารย์ที่ได้ย่อจากูุทธิยถาทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นสิแล้ น, นี้มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงเดาถึงคาดนู่นคาดนี้เดียเด๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มผเสียมันตั้งไม่ได้ เล่งดูหลับทำหลับในยิ่งกว่าจะดูอะไรกีการทมท ก, กับขงโลกะธรรมก็อามายุ่มให้ดูโลกะธรรมภายในตัวเองแก้โลกะธรรมภาณานี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ท่ากลางโลกะธรรม มึงก็กระทบกระถวนกั น, น, กนถ้าจิตของเราไม่เป็นจะเองมือตกที่กขางหมูกกรบพว่วนครัวาจางที่คอยที่ให้อัจให้ทำคอยนับวันล่อลรอไปล่อลอไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้ในทรมาปฏิบัติตลอดมรรคยคผานล่อลรอไปเดินดับลาดานนี่ที่ที่น่ารูก้ก ผู้ตั้งใจไปพูดปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ได้ความสะดวกไม่ได้นี่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พารำเนินมันไม่มีผู้คนเนี้ยเหตุเนี้ยผลเนี้ยอนันท์ธ ร, รมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีเนี่ยมันก็ทําให้ล่าช้าดีไม่ดีเสียไปได้เนี่ยความตั้งใจดีด้วยการพูดปฏิบัติดีด้วย แล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิกลีท่านปัญญาทางด้านปัญญากลีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์ครีบเข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะหลงได้ใจ มาสอนถึงสี่ถห้ากันสอนไม่ได้นะเฮ้ยยังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีพนันณ์ใจเลยแต่พรรดาลูกศิษย์ที่มารับการรับศึกษามีความรู้มีภูมิอัดภูมิธรรมสมาธิเป็นกันขั้นพันดาเป็นภูมิภูมิแล้วจะมาลงใจได้งไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์มาลูกศิษยภาษาแล้วได้ไนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ชง วลยาซึ่งทําเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจที่จิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตทั้งลำได้ทรงมากทรงผลก็ไปเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องบอกจกใกล้ชิดสนิทข้ามาสนิทข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยน่ะนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์ขลบุบบาอาจารย์ครบทีจริขจรขงขลุบอย่างนี้เอง ว่ารารองไหนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอัดเป็นทำเต็มภูมิท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หลักกรรมาฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลังไหลไปไปอยู่้าคไหนก็ไปเถอะปิดไว้ไม่อยู่กะหวังพึ่งพึ่งทางใจมนะันพึ่งการรับการอรบรมสักษรจากท่านด้วยความจัดกากินความถูกต้องแม่นยน ใครจะไปเหลวๆหลายๆจะเป็นรูปๆคำๆนั่นใครจะอยากเป็นแบบนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำทุกคาทุกคาเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเมื่อที่ภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันหนูมากนะะะั้นจังหวาใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในวายวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้ นั่งที่พูดตะกีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไรู้ตามพิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะฉนั้นใจจึงควรจะทําทั้งหลายทํำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยอย่างที่ว่าทํำมีอยู่ทํำมีอยู่อะไรไปจับทํำมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าทํำมีอยู่เป็นอนันตการทํามีอยู่ตลอดเวลา จะเอาอะไรไปจับธรรมที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าธรรมนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเราเนี่ยเอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงไปเสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงมันเสียนะฮะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสำคัญธรรมได้ยังไงอ้าวสมาธิธรรมนี่ สมาธิท่านบอกไว้ตามๆระดับต่างๆนั่น <pin> เป็นชื่อของสมาธิวิธีการนังสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงเพราะจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขัน้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจเข้าใจนั้ในในจนั้นเป็นพูธสัมผัสสมาธิธรรมหรือสมาถะธรรมวิปัสนาธรรมอาวิปัสนา ตั้งแต่เริ่มแรกแรูหร้หนวิปัสสนาคือวิปัฒนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตันนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นพู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นเป็นภาชนะรับธรรมตั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้ เอาอะไรมารู้นี่ที่จริงต้องปฏิบตัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพระพุทธเจา ต, ตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบตัติเรียนมาจบว่าไกายวโดกแบกคัมภีก็หลังหักที่นี่เคยอย่างเนี้ยเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบเรียนมานี่แต่มันก็แบกตั้งแต่ความสาคัญมันหมา ย, อยของมันไม่ได้แบกอัดแบบธรรมมันแบกแต่กิเลส เข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ท่นนั้นท่านนี้กิเลสไม่ถลอกปอกเปิืแม่นิดหนึ่งเลยนี่จะพอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกพูนมันขึ้นด้วยความต้องการมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสพี่ถี่มานะความต้องการมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างรูกปฏิบัติเข้าไปซิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปทิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดพูดเลยไม่มีเหลือโอ้แห่ ส่งแต่ความจริงล้วนๆความจําผ่านไปหมดแล้วลอยหมดเฮียส่งความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติบุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่ า, าธรรม b u เจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองเหรือเป็นผู้รับทราบกานเป็นผู้ส่งนั่นพระพุทเจ้าเป็นทศดาอโมฆะเทวเหลือเหมือนตุกตาเทวเหลือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพระพุทธเจ้า ศาสนาธรรมพระเจ้านี่เป็นทุกขตาเหลือทําไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพระิเจ้านี่<ะ>เรียนกันไปข้างกันไปบนกันไปถือกันไปแบบโลกโลกแบบกิเลสพาถือไ ม, ไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสอะ ถือแบบทำนี่แบบชาติหน้าทำสอนเลยถือเพื่อแ ก, ก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสศึก่อตนเองรู้มันเห็ น, นกน็ได้น่ะจะไปตื่นอะไรซเมื่อความจริงมันเห็นมันห ม, นมุนแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอกก็ไม่ตื่นให้ลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนึ่งอยากให้หมูมม่เพื่อนรู้เห็นนี่นา แท้จะต่า ง, ง, งมาเกี่ยวกับหมู่พือ่อนมานี่เป็นสามสิบปีกว่าแล้วแหละเห็นสามสิบปีกว่าแล้นนะพ่อแม่ครูจารย์มรณภาพไปก็ได้สามสิบกว่าปีแล้วนะี่ก็ตั้งเริ่มแบบพารานั้งมาตั้งแต่นโน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูจันมรณภาพปุ๊บทั้งน้นหมู่พือ่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูจันเป็นล้มโพล่มไสและช่วยเราด้วยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนพ่อขึ้นไปน เอาท่านนี่นะไปที่ไหนเ น, นี่ก็คล้องผ้าขึ้นไปท่านไปหาอุบาห์ท่านไปปรึกษาปารบนั่นก็ไม่ได้คล้องผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นตรองนี้แล้วก็ปรึกษาปารบท่านซะก่อนเราเนีเราเนี่ไม่เคยลายจะไปท่านไปเลยทีเดียวถ้าท่า น, ท, านท่านให้โอกาสแล้วนั่นหลับที่นึ่เวลาจะลายจะขึ้นคล้องผ้าเฮ้ยจะไปไหนที่นี่ตังค์กระบะ ไปจี้องไปกับใครไปองค์เดียวเออน่าดีท่านช่วยทันทีชนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปอง์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นอลมโพลมโลมชายอยู่นั้นแล้วแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะตจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ไหนแล้วก็ไปทํามภาษปภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลย ตั้นุ้นมาจนปบันนี้คิดูดิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุมหลุมผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้ที่ผมขโมยนี้จับหมูหยอกเพื่องเพราะอาตยาสายของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของฮะมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยพูดถึงว่ามันปล่อยมันปล่อยขนาดนั้นเลยพะเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้จะถ้ามันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างมันเลย ขมยพั้อนลุมไปขโมยหนีขโมยถับเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมลงโนนหละใต้ก้นเทวทัขโมยหนีเจะหมูเจ้าขั้งนตั้งแต่เริ่มแรกอยู่มันไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นะนะนะตามสัธธญชาติิยานหนีมากก็าบัตรเล่ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้น มาอยู่ไม่กี่วันแหละสองอาทิตย์สามอาทิตยลวลุมปีแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มเลยเลื่อยมาอย่างนี้แหลยิ่งกล้าเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าเข้าไม่ติ่งแม้แต่หมู่บ้านวิ่งตามไปด้วยอย่างนี้ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน่นนมาอยู่หเห็นตัวกันเลย เหมือนกับปอยู่องค์เดียวหญิงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่ยามานะนู้นบอกขนาดนั้นนะบอกว่ายามาเป็นอังขาดนี่ยถ้าผมอยู่ในร้านนี้ยาเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทําเพราะว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมานนั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นแ่ะเอาขนาดนั้นนะอิริทบาดเขาถ้ามีสองบ้านก็ไปถ้าคนละบ้านนะถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปเดียกันก็จะพบกันต่ระยะตอนนั้นมากก็เงียบเลย พอจิตของเรามันหมุนอยู่เติ้ยวเติ้วเตี้ ว, วมันทํางานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับไข่นอกจากเอาเวลาทุ่มกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมันเองโนมันเต็มไม่เต็มเหมือยกับว่าพระนิพพานมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับชั่วเอื้อมนี่เหมือนอย่างนั้นหมุนมันเลย นอนนึ่งไม่สับมันรับไม่ไรไม่รับเมื่อไรมันขนาดนั้นนะมันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายสักก็บังคับกันสักทีนึ่งถ้ามันไปหมดฤทธิ์หมดเดีชหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอสมันอยู่เองเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่ว่าเนี่ยหมุนเหมือนกงจักร แต่ก่อนเปไน็นไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเฮะยอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไระรู้อย่างนั้นจ่ว่าไงสันติโกไอพภูมินั่นมันจะไปไหนอีกบินไปไหนสู้กับอะไร มันมีเวลาสิ้นสุดใดนะงานของทางศาสนานี่ยนะว่าทำ ม, มีเมืองพอทำรร ม, มีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจําตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดนะสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกภายในอีกไม่ได้เรื่องจากก้าวทางปัญญา มันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญากเวลามันเริกออกออกออกออกจทำมัหมุนติ้วติ้วเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักพักแล้วจนหายเงียบไปเลยพอตัวมันแล้วนี่ปัญญาพอกิเลสก็ตายหมดสู้วเขาอะไร ปัญญาที่หมุนติที่เป็นธรรมจักรมันจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดปล่อยนลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอมีมุดติดธรรมก็พอถ้าถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้งสามแดนเราก็ทานให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกอยังจึงจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้ กิเลสมันเคยสร้างความพรให้คนไหม่ไม่เคยมีเพราะงั้นใครดิ้นกับกิเลส ม, มีตแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้อจะหาความเป็นอยู่การครองคีพให้เหมาะสมต้องมีทำรรจะมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีทำรรเตือนอพอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิน้นก็สบายสบายแล้วปล่อยให้กิเลส ชุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันวันพอเมต่ขนาดที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เหล่านี้นะแตม่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มี คลนะกายอะไรไม่มีอิยาบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของเมื่อแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอนกันแล้วที่เรียนเลยมันตะลุมบอนสับลงมาเราได้สับที่เลีนเมื่อไรมันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าแล้วก็ดีไปหมดเลยที่ตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนมา ไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลียบเหยียบหัวใจนี่นี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มิได้ดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขานี่แต่และคนลคนแต่ละหลายหลายเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่ ม, มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้อา้าวว่ามาสิ เอาหลับความจริงจับกันว่ากันอ้าวมีทําเป็นพยานเอาหลับความจริงเอันี้เข้าไปวินิจฉัยสิไปถามสิในโลกนี้ไม่ว่าเทวีบไหนล่ะที่ว่าแดนมนันที่อยู่ของมนุษย์นี่ไปถามสิใครจะว่าบอกว่าเออข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมาก ถ้ามีความสุขไม่เคย ม, มีข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอเาลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่ า, าพออย่ามายุ่งถ้ามาอย่างหงายวางั่นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำนันเนี่แหละคือความจริงผมพูดให้ความจริงให้ฟังก็เ <c oughs> มือ่อมันหาความพอมาแล้มันหิวมันหงุตลอดเวลาคนนี้โอ้เป็นความสุขหรือ ยังหิวข้าวมันก็จะตายอยู่แล้วนี่หิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งน้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้ร่นดิ้นดู ด, ดูสนุกดูสิไวามีทำเรื่งดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูกท่านเห็นหมด เหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั้นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั้นเนี่ยชนกิงโตมแนะฮะคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอาล้มถูกตามตามน้าากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละที่หาแต่ความสุขจะไม่เคยเจอความสุขโดนแต่ทุกข์โดนตัแต่ทุกข์อยู่ทั้นตลอดเวลานี่ว่าไงหีืไม่นมยังหันหน้า มากัดศาสนาธรรมเป็นของเลิกของประสริด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจทั้งมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นเหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละ เราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผูดด้ใดแล้วพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมืออยู่แล้วดั่งเดิมที่นี่พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมเราอยังขอได้ใสายอ่ะว่าองนั้นยังไม่ให้ยังไม่ให้ละองค์ววนั้นอะ่ะอ๋อองค์นี้ว่าก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อ ย, ยพิจารณากันทีหลังพ่อบวชมาหลายปีอยู่นันี้เพิ่งบวชใหม่หม แบบอย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรๆในการบวชจึงต้องอารมณ์ปอนผันและแนะนำสั่งสอนให้รู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนมตั้งนานไม่ได้เรื่องในลาว น, นั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมีแต่ขนาบลงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นเนี่ไปยังไงมาไงขอเนื้อสัยไม่เป็นนั่นแล้วเป็นอยังไงยังเนื้อสัยเราไม่ได้ บวชไปยุตึงก้ปัญหาเท่าไเรเดือนนี้เังได้สา ม, มัญษาหรือเนี่ยอายุยังไงต่ยังไงไม่แน่ในหลังข อ, อนิสัยก็ไม่เปลี่ยนเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้หนิสยัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้หนิสยัยเพราะไม่เป็นอาบาัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจาเป็นที่ลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้ปาปราบัตนะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยก็มาหา ม่าดูครูาอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอเนสืสัยก็เปล่าอาวัยแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้เนืสัยแล้วได้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยยอย่างการประพฤติปฏิบัติ ต, ตามหลักธรรมในหรือเปล่าการรออยู่งั้นไม่เป็นอาวัตทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่าอาจารย์อาจารย์ต่างคนต่างสังเกต ด, ดูกันตามหลักวินัยท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะ ถ้าเป็นยังไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เกิดเน่ะเป็นยงไงเรเล่าให้ฟังที่ยมดียุมดีไงคอได้หีมาทีพระองค์ังอยู่แต่้นก็สันสองข้าสันสอง้าเล่สันจข้าบสามตีอบอเดี๋ยวฟาดสามยังสูอะไรหรือสามเล้ะ สัตสูอะไรสามออกซีที่วันขึ้นฟาดอีกวันมันมีน่ะเทวทัอยู่ตัวตี่ประเด็นฉันต้องาขาบสามขาบัมขบซีขา้าออกไปลิ้นเพราะปากนั่นแหละมันเหยียบย่ําทําลายทำเห็นแก่ลิ้นแกปากไม่เห็นแก่จะทําความอยาบมันกร็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กังวลก็ว่าจะตายนงะา น, นที่ เมันทำลายอย่างของแปลง่าล่ะพระบวชใหม่มาอยู่วัดป่าวันตาศแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอะบวดมาเวลาบวชมาทำประโยชน์ให้มันประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศได้ ว, วันนี้เข้าใจเปล่าใชมันก็เหมือนกันกับเทพนอนแหละมันไม่ผิดกันะไรเนี่ย ถ้าฟังเทพเข้าใจก็ฟังนี้ก็เข้าใจอยูการขบการฉันก็เหมือนกันยาฉันมุมอันนี้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมมีในเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสทันหามันแทบมันแซงดิ้นแซงปากแซงกิยามารยาทได้ อยู่นี้ก็ได้ฟังแทบแทบอยู่บ่อนเงี้ยหรือเปล่าได้ฟอยู่ครับแทบถ้าแทบสารภาคก็รู้สึกเข้มข้นเทบสารประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะเที่ยวองเก่งนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่แต่ก่อนาแต่นั้นมาละป่าที่ไหนก็รุ่งไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือข้าวมาสัตว์ป่าก็มาก ไปที่ไหนมีแต่สัตาแต่ก่อนนะนี้ไม่มีนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่ารับนะนามากผมเที่ยวมากสัคนอะมากกว่านพออยู่ทั้งแปดีเที่ยวอยู่ตลอดเพราะผมมางการท่าแปดปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกกันไปฉะนั้ทํามานาภาพอากไปที่ไหนก็มีแต่ มีแต่ป่าเสือนะเสือโครง่งเสือดาวเต็มไปหที่นั่นๆเสือมันช่วยให้เราประมาณนะ่ะแต่ก่อนมีแต่กลัวเสืออะผมนะแต่แปลกด้วยนาะกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทั้งด้านจิตใจใจลราไม่ประมาณ ถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวๆแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่ได้พบแล้วคนถ้าไปฉันสักกี่วันก็อยู่งั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็้ามาโขมขาอ้ามโขมคำมองดูมันก็ไม่มมามามมเห็นนัะมเราอยู่ในถ้ำมองมมดูมันก็ไม่เห็นเรื่องง่ายๆนะใน่าจะใกล้ เสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละเสียงดังมากหมูนี่ไปไหนตั้งแต่เราเป็นคาราวาเหมือนกันนั่งห่างยิงหมูมาเหมือนเสียงช่างนะที่แรกหลงกลมัน ม, มันไม่ใช่เป็นกลนะมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูหมูหมูหมฟูง้งอะนมาเสียงลั่นะช่างมันคาราถิ่น น, น้ำมาเร็วยิงหัวช่างในวันนี้ทำไมใกล้ไม่ใช่ช่างมันเป็นหมูโอ้หมู เสียงโคมพระอ้อมคาอุ้ยนุ่นขนาดทางแยกได้ยินเสียงแล้วนะเพราะเราอยู่สงัดสงั ด, ดยินแล้วนะเสียงมันมาเ ป, ป็นผุมๆหน้าแรงอย่างนี้เสียงดังลั่ น, นจนที่แรกสงสัย้างมาเลยเพราะเช้ามันเติมไปใ น, ในป่า น, นมานี่ยอยิงหอมนอ่หัมายิงน้ำอุ่นนู้เสียงดังมาตัวเดียวก็เสียงดัง ลั่นันฟานอีเก่งนี่มันไม่ดังนะผิดกันนะอีเก่งกับหมูผิดกันมากหมูนี่เสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นน่าเสือจะได้ยินนั้นหน้าเสือจะแอบกัดมันได้อย่างนะแต่หมูนี่เสือยังมีขยะขยะมันอยู่นะมันรวดเร็ว ความกาลังมันก็แรงมันก็กเสือนทาให้เอาเวลามันเผือสู้หน้ากันนี้มันไมได้นะก็างหงสนะ์ถ้าเจอกันนี่เผือกจะเอาไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอดหมูทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียวก็เป็นอีกอย่างถ้าเป็นหมูทนโอ้โหเขี้ยวเร็วยิ่งกว่าอะไรพูดนนี้ก็แล้วเลือกได้ที่ <c oughs> อะไร อาจารยอะไรไอยู่ท่านชันเจลอยู่ที่ภูทางภูข้อภูเขานั่นทานไปอยู่ น, น้ำโอ้คื อ, อยากูสอนอยากูสอนคนทางบ้านชีโ อ, อน้นพันอน้นทางนั้นแปลเพลนาแกนะ่ะแถวนั้นแ่ะบ้านท่านผมจำไม่ได้ฉันลืมแต่ก่อนจําได้ทําอยู่ท่านทาน่นนี่ทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะ มีภูเขางสูงมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างๆพอประมาณขึ้นไป <c oughs> ขึ้นขึ้นตามช่องนี้ะขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขา <c oughs> พระเอิ่ยังไงมาทาบนเสือโค่งก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีฟาดกันในนั่นแหละในช่องนั่นคือไม่มีทางไปนสู้กัน ตายทั้งสองนั่นหมูตายอยู่กับที่เสือคลืบ ค, คลานขึ้นไปตายบนหลังเขาพงนีทะลุหมดเลยนักอย่างั้นแหละเสือที่ตายอยู่กับที่นั่นเสือโค้งใหญ่นะเพราะงั้นจึงแบเจอหน้ากันซึ่ ง, งหน้า น, นี้โอ้ไม่ได้เสือไม่กล้ามันต้องเอาตอ น, นเผลอถ้าเวลาเผลอใหญ่ขนาดนั้นมันเอาได้ทั้งนั้นแหละเสือ ถ้าลงซึ่งหน้ากันแล้วสวยนี่ตัวนะตัวหมูนะเพราะความก็เร็วแล้วความกำลังวังชามันพอๆกันอันนี้ตายทั้งสองเลยนี่เสือโครงใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดาหกศอกเจ็ดศอกหมูก็หมูใหญ่เขี่ยวพ้นพุนขนาดนี้หมูพุงเทะุ้ะหมดเลย มูเขาฟังว่าขาดหมดแถวนี่เอากันมันอยู่ในเนี่ยมันออกไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเสียท่าทั้งสองอะไรสิเสียท่าทั้งหนึ่งกได้เพราะมันเจอกันทุกๆหน้ามันก็ตั้งท่ากันโอก็ตายอยู่กับที่นั้นเดี๋ยวมันลอยมันเอากันถึงนุ่นนะถลาบถลายไปนุ่นนุ่นเขาก็ว่านะแต่มันตายอยู่ในบริเวณนั้นหมูมันถลากถลายกันไปนุ่นไปนุ่น เอาคนขึ้นลงท่นกับเสือแต่เสือคชืบคลานไปในตากข้างบนแทนที่จะลงมาตาข้างล่างไม่ไปตายข้างบนเพราะขึ้นไปก็ไปพดนั้นต้องตายตายอยู่ที่ปางทางที่ขึ้นตา ย, ยตรงนี้น ไ, ได้ทั้งสองทาบมันเลยเสือไปที่ไหนลูกดวงมันชุมมากแต่ก่อน เพราะเนื้อก็ชมนี่พวกเกลี้ยงพวงหมูนี่ํานวกวางมีแ่วสักคนถ้าตรงไหนมีเนื้อมากเสริมก็มากไปหาเป้านาก็ไปหาที่อย่างนั้นมันเสียงมันร้องนะโอ้น้ากลัวมากนเสียงเสียงมันนักกลัวยิ่งกดนั่นเลยแตอที่นี้เวลามาคิดจริงแล้วนะ เสือมันล่องมันยังยินอยู่ในย่านนันย่านนี้นะเวลามันล่องอยู่ทงนทีมันน่ากลัวมากไม่ทราบมันมาเมื่อไรนี่มันกลัวตรงนี้ที่ขยับความเปลี่ยนกนี่นันก็แปลกอยู่นั่นแหละที่เวลามันหานนี่ไม่ผมเคยดัดฉันดาเอากันได้สดๆนอนต่อหน้าต่อตาถึงกล้าเลยกล้าพูดนี่โอ้โหเวลามันหานมันหานยินนะมันไม่เคยจะตกท่านเลยในอะไรทั้งสามแดนโลกท่านนี่ ในขณะนั้นเหมือนกับว่าจะทําอะไรไม่ได้เลยทำเราไม่ได้เลยแต่ตามความจริงจะเป็นแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่ความแน่อยู่ในใจนั้นแน่จริงๆก็ไม่มีอะไรทําได้เลยสืมจะอาปากนี่โดดเข้าปากเสือได้เลยมาก็มาที่เดินก็ไปหามันเลยขนาดนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างขณะก่อนที่กลัวจนตัวสัน่โนโมลามันกล้าหานด้วยการฝึกประมาณเจ้าของผมเป็นแล้วนะนี่ เวลามกล้าหันไปหาอะไรเนี่ยก็มันดัดสัาณยี่เด็ดต่างหากนี่นากลับมาเสียสมัยโดยนิกรมเนี่ยตั้งแต่นั้นมาลราโอ้โหเข็ดนะพอมันรู้สึกมันมันมีกลัวได้ในเวลาหลังน่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องมือับกันวันนี้จะเอาไปอีกเหลือโอ้โหหมอนเอาไปอีกเหลือวันนี้ว่ะนั่นเพราะเคยฟัดกันแล้วมันรู้เรื่องกันกลัวๆจนตัวสั่นเคยมีเหลือ ทีนี้เวลามันกราหานมันก็แบบเดียวกันเดียวกไม่มีกลัวอะไรเลยเวลานั้นสมมติว่าเสือเดินเข้ามานี้มันจะเดินไปรูปครรมหลังมันได้เลยถ้าว่าอ่อนมันก็นิ่มไปหมดจิตถ้าว่าแข็งมันก็พูดไปทูกกลอยู่แลยมันแน่ใจอยู่ตั้งแต่ว่าเสือจะทำอะไรอะไรก็ตามทำตาต่ได้ไม่ได้ว่างั้นเลยนะเวลานั้น คือจิตนี่รู้สึกมันแกล้งถ้าพูดถึงแกงแล้งอ่แล้อะไรพูดไม่ถูกหมายอะไรก็ตามถ้าเราเคยได้ดัดมันแล้วมันก็พอฟัดพอหยักมันไปมันรู้ทางกันเไปไม่เคยเล ย, ยนี่มันก็ไม่รู้อย่างความกลัวนี่ผมก็เคยดัดแล้วได้เห็นเ ห, นเหนตุผลกันยา้เพราะถึงว่ามันไปลามันแสดงกันมาเอาเลือวันนี้วะหมอบเลยทุกเวทนาเหมือนกันวันนั่งนานๆ พอมันฟาดกันได้เป็นพิเดินฐานรู้เห็นรู้ผมกันแล้วมันไม่ได้กลัวนี่นี้จะคอยจะเอาความอัศจรรย์หรือความจริงจากนั้นเท่านั้นน่นมันไม่ถอยนี่ถอยไม่ได้มันบอกนั่นเลยตาก็ตายไปเลยความถอยไม่มีสำคัญที่ความถอยไม่มีคือหมายก็มันเพิ่มกำลังแรกมันรู้แล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไงก็สู้ตายกันเพราะ มันได้เห็ุได้ผลในครั้ง น, นั้นแล้วในคราวนั้นแล้วอ้าวคราวนี้มันมันขยับเลยคุยท่ามันมีอะไรตายลงถึงขนาหน่ำ น, นะคน ด, คนดูนถึงธาตหนึ่งขันธาตุสีน้ามันไฟอะไรมันตายมอมันตายว่าตายอะไรมันตายไล่ไปไล่ไปไม่มีอะไรตายเลยกลัอว อ, อะไร ว่าจิตมันตายจิตมันยิ่งเด่นเวลานั้นจะ อ, อะไรมันตายมันเด่นโอโคกกันหัวเวลาทุกขนาดนี้มันที่ประติ๋วนี่นะเวลาทุกจ์ถึงขั้นจะตายมันันหนักมากกว่านี้นี่แล้วจะเ อ, อะไรไปสู้กันเอานี่มันรู้กันนี่มันควรจะตายในวันนี้กันมันเห็นเรื่องอะไรตายก่อนตายหลังน่ะ เราต้องการต่ความจริงเท่านั้นความตายความเป็นอะไรเราไม่นั่นเอาใจไม่เห็นความจริงวันนี้อะไรมันจะแสดงออกไม่รู้ยนะิ่งนานไปจริงๆว่าไม่มีอะไรตายถ้าตุสี่นินนลงไฟกระจา่างประกอบเป็นธาตเดินมันเขาเยอะอะไรตายดูจิตพวกกลัวตายมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นมันกลัวหาอะไรมันกลัวลงกลวแล้วไรมันบ้าเดี๋ยวโกหกกันเนี่ยเวลาลุ้จะาๆต้องเป็ม ดันันมาแล้มันความตายมันก็มีปัญหามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้ทุกอันนี้กับเวลาจะตายมันก็ทุกหน้าเดียววันนี้มันจะเจ้าหน้าไหนไปหลอกเราอะทุกหน้านี้เราก็เห็นมันอยู่ชัดๆนี่แล้วเนี่ยก็คือสัจธรรมรด้วนๆแล้วทุกเวลาจะตายมันไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรหิ น, นี้ก็ไม่ตายนั่ น, นมันเลยไม่จฉุกท่านในเรื่องความเป็นความตาย